ชำระจริตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเชื่อว่าเป็นการกระทำที่จะนำความสุขและความเจริญมาให้แก่ชีวิตจิตใจบำบัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้เบาบางลงไปและหมดไปในที่สุดเชื่อว่าบุญและบาปนีแล เป็นเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดไม่เท่ากันบางคนเกิดมาแล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญบางคนเกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเพราะเหตุที่ทำมานั้นไม่เหมือนกันนั่นเองถ้าทำบุญ ก็จะได้ความสุขและความเจริญถ้าทำบาป ก, mm hmm. ก็จะได้ความทุกข์ความเสือ่อมความเดือดร้อนต่างๆ <c oughs> การที่เรามาเกิดแล้วมีฐานะต่างกันนี้ mm hmm. ก็เป็นผลของบุญแ ล, ละบาป mm hmm. ที่เราได้ทำกันมาในอนดีตนั่นเอง mm hmm. จึงทำให้บางคน มีฐานะดีการเงินการทองดีมีรูปร่างหน้าตาดีมีสติปัญญาดีบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาไม่ดีฐานะการเงินไม่ดีสติปัญญาไม่แหลมคงไม่ฉลาดเหล่านี้เป็นผลของของบุญและบาป ท, ที่เราได้ กระทำมาในแต่ละพบในแต่ละชาตินั่นเองเราจึงเป็นเป็นผลของบุญและบาปถ้าเราอยากจะให้ผลของเราคือตัวเรานี้ดีขึ้นเราก็ต้องหมั่นทำบุญให้มากขึ้นถ้าเราไม่ต้องการให้ชีวิตเราตกต่ำมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเราก็ต้องละาบา ให้มากขึ้นเพราะนี่เป็นหลักของกฎแห่งกรรมคือการกระทําและผลที่จะตามมาไม่มีใครสามารถไปลบล้างหรือหักล้างกฎแห่งกรรมได้ถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์พบกับความเสือ่อมพบกับความเดือดร้อนวุ่นวายใจ ก็อยากไปทำบาปถ้าอยากจะพบกับความสุขพบกับความเจริญก็ต้องหมั่นทำบุญ น, นี่คือกฎตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำแล้วก็จะต้องได้ผลตามการกระทำของตนเหมือนกับการปลูกพืชต่างๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เมื่อปลูกไปแล้วผลของพืช น, นั้นก็จะต้องปรากฏขึ้นมาถ้าปลูกข้าวก็จะต้องได้ได้รวงข้าวถ้าปลูกผลไม้เช่นปลูกกล้วยก็จะต้องได้กล้วยปลูกสับประรดก็จะต้องได้สับประรดนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อจะได้ ทำเหตุที่ดีเพราะจะได้รับผลที่ดีเพราะเป็นสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนากันไม่มีใครอยากจะได้ความทุกทุกคนอยากจะมีความสุขแต่เนื่องจากไม่รู้ความจริงของความสุขและความทุกว่าอยู่ที่การกระทำบุญหรือทํำบาปพอไม่รู้ก็เลยทําไปตามอารมณ์ ว่าไรอยากจะทำอะไรก็จะทำไม่ไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาเช่นคนที่อยากจะดื่มสุราก็จะดื่มสุราโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาคนที่อยากจะเล่นการพนันก็เช่นเดียวกันคนที่อยากจะเที่ยวกลางคืนคนที่ชอบความเกลียดกล้านชอบครบคนไม่ดีเป็นมิตร ก็เช่นเดียวกันเขาไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้จะนําความเสื่อมมาให้จะพาให้ชีวิตตกต่ำจะพาให้ไปทำบาป ท, ทำกรรมในลําดับต่อไปแต่ถ้าเราเชื่อคนดีเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคนฉลาดเชื่อว่าสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นสิ่งที่ดี ถึงแม้ว่าเรายัางจะไม่สามารถเห็นตามได้ก็ตามเราในฐานะผู้ที่ได้ปัญญาซึ่งเป็นเหมือนคนตาบอดควรจะเชื่อคนที่มีปัญญาคือคนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวัของพระพุทธเจ้าที่นาเอาพระธรรมคาสอน ของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนให้แก่พวกเราเมื่อเราเชื่อแล้วเราจะได้กระทำตามเมื่อกระทำตามแล้วเราก็จะได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไปเรื่องของผลของบุญและบาปนี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และผลที่จะเกิดตามมาในอนาคตนะผลที่เกิดในปัจจุบันก็คือผลที่เกิดในใจของเราเช่นความสุขใจหรือความทุกข์ใจผลนี้เราจะรับได้ทันทีอย่างวันนี้ญาติโยมมาทำบุญมาทำความดียาติโยมก็มีความสุขใจอันนี้เป็นผลแรก และเป็นผลที่สําคัญกว่าผลที่สองที่จะตามมาก็คือการจะได้รับผลตอบแทนจากผู้อื่นเช่นบางครั้งเราทําความดีเราก็อยากจะได้รับรางวัลแต่พอเราไม่ได้รับรางวัลเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความท้อแท้ต่อการมาทํำความดีแต่เราลืมไปว่า ผลอย่างนี้ไม่ได้เป็นเป็นผลที่แน่นอนเราอาจจะได้รับผลตอบแทนได้รับการตอบแทนจากผู้อื่นก็ได้หรือกับอาจจะไม่ได้รับก็ได้อันนี้ไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงผลที่แท้จริงต้องดูที่ใจของเราเวลาเราทําความดีเวลาเราทาํ า, าทบุญเราจะมีความสุขใจ มีความอิ่มเอิใจมีความพอใจมีความภูมิใจอันนี้แหละเป็นผลที่แท้จริงของการกระทำความดีไม่ได้อยู่ที่ผลที่จะตามมาที่เรียกว่าเป็นผลพลอยได้คือได้รับรางวัลได้สิ่งตอบแทนจากผู้อื่นได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลที่แท้จริง อย่างนั้นเวลาที่เราทําบุญทําความดีแล้วเราไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญก็อย่าไปโทษว่าทําบุญแล้วไม่ได้ผลตอบแทนเพราะนั้นไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงผลที่แท้จริงนั้นคือความสุขใจสบายใจปลื้ม อ, อกปลื้มใจเบา อ, อกเบาใจอิ่ม อ, อกอิ่มใจ อันนี้ล่ะเป็นผลที่แท้จริงที่เราควรที่จะคอยสังเกตดูถ้าเราทำแล้วเราไม่ได้ความสุขใจความอิ่มเอิกใจก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นถ้าเราทำแล้วเราต้องการรางวัลหรือผลสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นพอเราไม่ได้รับผลตอบแทนเราก็จะเกิดความเสียใจ แทนที่เราจะมีความสุขใจเรากลับเสียใจเพราะเราไม่ได้ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองเราไม่ได้ทำด้วยความถูกต้องตามหลักของการทำบุญหลักของการทำบุญนี้ทำเพื่อละกิเลสทำเพื่อละอัตตาตัวตนคือความเห็นแก่ตัว ทำเพื่อให้เกิดความเมตตากรุณาขึ้นมาทำเพื่อตัดความโลภความอยากอันนี้เป็นเป้าหมายของการทำบุญของการทำความดีเพราะถ้าเราสามารถที่จะตัดความเห็นแก่ตัวลงไปได้ตัดความโลภลงไปได้ตัดความหวงในสิ่งของต่างๆลงไปได้ ใจของเราก็จะมีความเบา อ, อกเบาใจมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราทำเพื่อความโลภทำเพื่อความเห็นแก่ตัวทำเพื่ออยากจะได้รับรางวัลตอบแทน <c oughs> การกระทำแบบนี้จะไม่ได้ผลบุญดังนั้นเวลาเราทำบุญทำความดีขอให้เราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธ เธอไม่ปรารถนาที่จะรับรางวัลหรือสิ่งตอบแทนจากจงจากผู้อื่นจากผู้ที่เราทำบุญด้วยเราทำเพื่อที่จะชำระใจของเราให้สะอาดขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเมตตากรุณามากขึ้นให้มีความโลภน้อยลงให้มีความอยากน้อยลง ถ้าเราทำแบบนี้เราจะได้ผลที่แท้จริงจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นแล้วเราจะสามารถปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นไปได้ตามลาดับเพราะการปฏิบัติธรรมนี้มีหลายขั้นด้วยกันถ้าเราทาทาไม่ถูกเราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงได้ จิตใจของเราก็จะไม่สามารถเจริญให้สูงขึ้นไปได้ดังนั้นเวลาเราทำบุญขอให้เราทำตามหลักธรรมที่สอนไว้คือทำเพื่อชำระกิเลสชำระความโลภความโกรธความหลงให้มีน้อยลงไปเมื่อเราทำบุญแล้วขั้นต่อไปเราจะรักษาศีลได้ง่าย พะเราจะไม่มีความโลภมากจนเกินไปถึงแม้ยังมีความโลภอยู่แต่เราจะคำนึงถึงความสำคัญของการมีศีลเพราะเรารู้ว่าการมีศีลนี้เป็นการทำให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นสูงขึ้นนั่นเองมีความสุขมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลใจของเราจะ ตกต่ำจะมีความว้าวุ่นขุนมัวจะมีความวิตกกังวลกับการกระทาที่ไม่ดีต่างๆแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ใจของเราจะมีความสุขความสบายใจไม่วิตกกังวลไม่ว้าวุ่นขุนมัวกับการกระทาที่ไม่ดีเพราะไม่ได้กระทํานั้นเองเช่นไม่ได้ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตไม่ได้รักศัพท์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปวดมดเท็จไม่ได้เสพสุรายามาการที่ไม่ได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้จะทำให้ใจของเรามีความมั่นคงมีความกล้าหาญไม่หวาดวันไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆไม่กลัวว่าจะถูกคนอื่นเขาตำหนิ ไม่กลัวว่าจะถูกคนอื่นเขามาทำร้ายเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราไม่กลัวคนที่กลัวนั้นก็จะเป็นคนที่ไปทำร้ายผู้อื่นเพราะโดยหลักของธรรมชาติแล้วก็ไม่มีใครอยากจะทำร้ายใครถ้าอยากจะทำร้ายก็จะทำร้ายคนที่เขาทำร้ายเรานี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนอื่นสงเคราะห์คนอื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขจากผู้อื่นเป็นผลตอบแทนไม่ว่าเราจะปรารถนาหรือต้องการหรือไม่อันนี้มันเรื่องของผู้อื่นเขา ถ้าเราทําแล้วเขาเกิดความประทับใจเขาเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจเวลาที่เขามีโอกาสเขาก็อยากจะอยากจะตอบแทนน้ําใจอันนี้เราก็รับไว้ได้แต่ข้อสําคัญเราอย่าทําเพื่อหวังผลตอบแทนเท่านั้นแต่ถ้ามีผลตอบแทนมาเราก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจไม่ให้เสียมารยา แต่สิ่งที่เราได้รับจากการทำความดีของเหล่านี้เราได้แล้วได้ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้รับจากผู้อื่นคือความสุขใจนี้เองความสบายใจความสะอาดของจิตใจที่ไม่มีอะไรที่จะสามารถซื้อได้นอกจากการทำความดีและการรักษาสิ่งจะทําให้จิตใจเราใสาขึ้นสะอาดขึ้น มีความสุขมากขึ้นเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบของจิตใจเราก็อยากจะได้มีความสงบเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้ก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปอีกคือเราจะได้นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเพราะการทำใจให้สงบได้นี้ จะได้ความสุขมากกว่าการความสุขจากการรักษาศีลความสุขจากการทําบุญให้ทานถ้าการทําบุญให้ทานเปรียบเทียบเป็นเงินก็เป็นเหมือนแบงค์ยีสแบงค์ห้สแต่ถ้าการรักษาศีลนี่ก็เป็นเหมือน Bank 20, Bank แบงค์ร้อยส่วนกา ร, การกานั่งสมาธินี่ก็เป็นเหมือนแบงค์ห้า ร, าร้อย และถ้าเราจเจริญปัญญาได้ก็จะเหมือนแบงค์แบงพันดังนั้นขอให้เราอย่าติดอยู่กับการหาเงินในระดับแบงค์ยีบแบงค์ห้คือการทําบุญให้ทานขอให้เราทําเพื่อก้าวขึ้นสูก่การทําบุญที่สูงกว่าคือการรักษาสินรักษาศิลก็เหมือนได้แบงค์ร้อย แล้วเราก็ก้าวขึ้นสู่การทำสมาธิทำใจให้สงบก็เหมือนได้แบงค์ใให้าร้อยแล้วหลังจากที่ทำสมาธิได้แล้วเวลาออกจากสมาธิเราก็ควรที่จะเจริญปัญญาควรจะศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยคำว่าเรานี้คืออะไรเรานี้ก็คือใจเรานี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราใจนี่แหละเป็นตัวเราแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสิ่งต่างๆที่ร่างกายเราได้มาไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆาลาภยศสรรเสริญความสุขต่างๆความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องศึกษา ให้เห็นอย่างถ่องแท้ว่าหนึ่งไม่เที่ยงสองเป็นทุกสมไม่ใช่ของเราจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไม่สามารถควบคุมบังคับรักษาให้เป็นของของเราได้ไปตลอดเพราะว่าเมื่อร่างกายที่เราไม่สามารถรักษาได้ตายไปเราก็จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ด้วยร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจะบูกลิ้นกายเราก็จะไม่สามารถมีได้อีกต่อไปเพราะเราไม่มีร่างกายคือร่างกายนี้ไม่สามารถทําหน้าที่นําความสุขต่างๆมาให้กับเราได้อีกแล้วเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะชาระ ใจของเราให้สะอาดบ่อยสุดเพราะถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์ใจก็ยังจะมีความโลภความอยากความหิวความต้องการความหิวความโลภความอยากความต้องการนี่แหละที่เป็นตัวที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่และบุญและบาปนี้จะเป็นตัวที่จะ ชี้ว่าจะไปทางไหนไปทางสูงหรือไปทางต่ำถ้าทําบุญมากกว่าบาวเวลาตายไปบุญจะมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปในทางทางบุญก็คือไปทางสุขติไปทางสวรรค์ถ้าบาบมีกําลังมากกว่าบาบ ก, ก็จะดึงไปในทางอบายไปสู่ทุกขติ ทุกขติก็มีอยู่สีคือเดลฉานอสุลกายเปรตและนรกส่วนสุ ข, ขติก็มีมนุษย์มีเทพมีพรหมมีพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆมีพระนิพพานเป็นที่สูงสุดนี่เป็นที่ที่บุญจะพาไปดังนั้นถ้าเราทำบุญได้มากกว่าทำบา เวลาเราตายไปเราก็จะไม่ขาดทุนเราจะได้ไปดีไปสู่สุคติไม่ต้องให้คนที่เขาอยู่ข้างหลังอวยพรให้เราไปสู่สุคติอย่างที่เรามักจะทำกันเวลาที่มีคนตายเราก็มักจะพูดว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดแต่นี่เป็นเพียงความปรารถนาดีเท่านั้น ไม่สามารถส่งให้ผู้ตายนั้นไปสู่สุคติได้ผู้ที่จะส่งให้ไปสู่สุคติได้ก็คือผู้ตายที่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มันทาบุญให้มากๆเท่านั้นถ้าไม่ทําบุญแล้วแล้วยิ่งถ้าไปทําบาปก็จะมีบาปเป็นผู้ฉุดลากให้ไปเกิดในอบายให้ต้องไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกาย เป็นเดรัจฉานดังนั้นถ้าเรายัางไม่สามารถที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็ต้องพยายามทำบุญละละบาปไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะสามารถพัฒนาการปฏิบัติของเราจนถึงขั้นสูงสุดได้ก็คือขั้นปัญญาถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาเราจะสามารถตัด ความอยากต่างๆความโลภต่างๆที่เป็นสาเหตุที่จะผลักดันให้จิตใจของเราไปเกิดใหม่อีกถ้าเราสามารถตัดความโลภตัดความอยากความต้องการต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปถึงแม้จะมีบุญหรือมีบาปเก่ายังค้างค้างอยู่ในใจอยู่ บุญและบาปเก่าเหล่านั้นจะไม่มีกำลังที่จะพาให้เราไปเกิดในในที่ต่ำได้เลยเพราะเรามีกำลังของของปัญญาและกำลังของบุญต่างๆคือทานศีลและสมาธิและปัญญาที่จะเป็นผู้ที่จะ พาให้เราไปสู่พระนิพพานคือการไม่ไปเกิดอีกต่อไปนี่แลจะเป็นผลที่ดีที่สุดเป็นผลที่สูงสุดที่จะได้จากการทำบุญชนิดต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาสิง น, นั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาไม่มีใครสามารถที่จะ ทำให้เราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงเป็นผู้ชี้บอกทางแต่เราต้องปลูกศรัทธาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อในคำสอนที่สอนให้เราทำดีละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ว่าเป็นแนวทาง สู่การไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงและถาวรเป็นการดับทุกข์ที่แท้จริงและถาวรมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นๆ น, นั้นไม่ใช่เป็นทางเช่นการไปหาเงินเพื่อให้เกิดความร่ำรวยนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ถาวรดับได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวดับได้กับเกี่ยวกับความทุกข์ทางร่างกาย เช่นไม่มีอาหารรับประทานถ้ามีเงินก็สามารถซื้ออาหารมารับประทานได้ถ้าอากาศหนาวไม่มีเครื่องนุ่งห่มก็ถ้ามีเงินก็สามารถไปซื้อเครื่องนุ่งห่มมาสวมใส่ให้ร่างกายอบอุ่นได้แต่เวลามีความทุกข์ใจมีความเศร้าโศกเสียใจเงินทองนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้มีแต่การทำบุญละบาท และการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกต่อไปอย่างนั้นขอให้เราอย่าไปดับความทุกข์ด้วยการไปหาเงินหาทองไปหาตำแหน่งไปหาการสรรเสริญเยินยอไปหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นโน้โผฏฐพัชชนิดต่างๆเพราะนั่นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับทุกข์เป็นเพียงการกลบเอาเอาความสุขมากลบความทุกข์ไว้ชั่วคราวเช่นเวลาเราไม่สบายใจแล้วเราไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของไปชอปปิ้งเราก็มีความเพลิดเพลินมีความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่พอเรากลับมาบ้านมาเจอปัญหาเดิม ก็จะเกิดความทุกข์ใจเหมือนเดิมเพราะความสุขทางรูปลูกเสียงกลิ่นรสผุดถพระความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้ต้องใช้การทำบุญรักษาศีลการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาเท่านั้นนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ปฏิบัติมาแล้วจน สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายได้หมดไปจากพระไถยของพระองค์จึงได้นำเอาความรู้ที่ได้ทรงรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่รับทราบแล้วมีศรัทธานำเอาไปปฏิบัติตามก็สามารถทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปจากใจได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา ปรากฏบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นสามคาลตงนะเป็นที่พึ่งที่สามของพวกเราท่านเป็นผู้ที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคาสอนที่ถูกต้องที่เป็นคาสอนที่สามารถนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงน แนะพวกเราหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติเราก็จะดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดสิ้นอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราอย่าลังเลสงสัยขอให้ทุ่มเทศรัทธาความเชื่อไว้ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราจะไม่ผิดหวัง แต่ถ้าเราไปศรัท ธ, ธากับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจนูกมืนกายเราจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเราจะต้องทุกไปจนวันตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเข้าสู่วัยชราในช่วงที่เราต้องพบกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆและใกล้กับความตายช่วงนั้นจะมีความทุกข์มากถึงแม้ว่าเราจะมีลาบยศสรรเสริญ มากมายเพียงหรก็ตามราภยศเสริญเหล่านั้นจะไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายได้เลยนอกจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้ จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาทำบุญละบาปมาชำละใจให้สะอาดโดยสุดด้วยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา